11นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันจิตติมาคงชงจากสำนักข่าว i อ n ค่ะกรุงเทพมหานครลงทะเบียนขอรับวัคซีนแล้วตอนนี้1้าน7 7 1 4 4 0ราย กรุงเทพมหานครสรุปข้อมูลการลงทะเบียนโครงการไทยร่วมใจซึ่งมีผู้แจ้งความประสงค์รับการฉีดวัคซีนช่วงวันที่ 27-28 พฤษภาคมรวม1 0 7 7 1 4 4 0รายค่ะเป็นผู้ที่ลงทะเบียนผ่านแอปเป่อตัง 1,132,515 รายและลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ทยร่วมใจ .com 638,925 รายโดยเฉพาะวันที่28พฤษภาคมนะคะมีแจ้งความประสงค์ 314,6 186รายซึ่งเป็นการลงทะเบียนผ่นานแอปเป่าตัง 197,767 รายและลงทะเบียนผ่านทาง w w w t h a วทร่วมใจ .com 117,101 รายค่ะขณะที่สาธารณสุขบริการฉีดวัคซีนกลุ่มเปราะบางคนพิการทางการมองเห็นค่ะนำร่องในพื้นที่กรุงเทพปริมนทน นายสาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยวกรกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยนายแพทย์สม ศ, าศาักดิ์อัคขศินอธิบดีกรมการแพทย์ค่ะตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดสิให้กับคนพิการทางการมองเห็นครอบครัวและผู้ดูแลค่ะที่สถาบันเซี่รินทอนเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติซึ่งนายสาธิตบอกว่ากระทรวงสาธารณสุขเร่งสร้างภูมิคุ้มกันให้กับผู้พิการครอบครัวและผู้ดูแลซึ่งมอบหมายให้กรมการแพทย์โดยสถาบันเซี่รินทรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ เปิดให้บริการฉีดวัคซีนสําหรับคนพิการค่ะซึ่งได้นําร่องในคนพิการทางการมองเห็นที่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มเจ็โรคเรื้อรังสมาชิกในครอบครัวและผู้ดูแลในเขตกรุงเทพปริมณฑลค่ะโดยมีอยู่ประมาณ500กว่าคนและก็นัดหมายมารับการฉีดวันละ60คนจัดระบบบริการการฉีดวัคซีนตามมาตรฐาน8ขั้นตอนของกรมควบคุมโรคและก็เริ่มให้บริการไปเมื่อวันที่27ม27พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะขณะนี้ก็มีผู้เข้ารับบริการฉีดวัคซีนไปแล้วกว่า100 ส่วนกลุ่มของออทิสติกบกพร่องทางสติปัญญาการเรียนรู้ดาวซินโดรมสมาธิสัน้นและผู้ป่วยจิตเวชที่อาศัยในพื้นที่กรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลก็ได้มอบหมายให้กรมสุขภาพจิตโดยสถาบันราชานุกูลค่ะรับผิดชอบเรื่องการจั ด, จดฉีดวัคซีนโควิด -19 โดยรอบแรกกำหนดกลุ่มอายุ18ปปีขึ้นไปรวมถึงบุคคลในครอบครัวที่อาศัยบ้านเดียวกันแล้วก็เปิดให้บริการการฉีดวัคซีนแล้วค่ะ ปิดท้ายกันที่ทนิการโต้เก้าไกลค่ะยืนยันสสรัฐบาลก็ฉีดวัคซีนซีโนแวคเหมือนกับสสฝ่ายค้าน นางสาวธนิกาลพรพงศาโรสสสกรุงเทพมหานครพักพลังประชารัฐได้กล่าวถึงกรณีนายประเสริฐพงศ์นุวัตรสสบัญชีรายชื่อของพักเก้าไกลไปโพสตข้อความผ่านทางทวิตเตอร์ที่บอกว่าสสพลังประชารัฐและสสรัฐบาลฉีดวัคซีนโควิดสิยี่ห้อแอสตร้าเซเนกถ้าเป็นสสฝ่ายค้านคงได้ฉีดซีโนแวคโดยยืนยันว่าไม่เป็นความจริงเพราะตนเองในฐานะสสของพักรัฐบาลอย่างพลังประชารัฐก็ฉีดวัคซีนซีโนแวคเช่นเดียวกันและก็เข้าฉีดวันเดียวกับสสฝ่ายค้าน หลายคนด้วยทางเพื่อไทยและก้าวไกลก็เห็นว่าได้ฉีดซิโนแวคเหมือนกันทั้งนี้วันที่ไปฉีดวัคซีนก็เจอสสอหลายคนทัน้งฝ่ายค้านที่เป็นเพื่อไทยและก้าวไกลก็ยังคงทักทายกันตามปกติซึ่งก็ได้ฉีดซิโนแวคเหมือนกันค่ะขณะเดียวกันนางสาวธานิการก็บอกด้วยตอนนี้ฉีดซิโนแวคครบไปแล้ว2เข็มนะคะไม่มีปัญหาอะไรไมิมผลข้างเคียงวัคซีนปลอดภัยขอให้มั่นใจว่าวัคซีนที่รัฐบาลเลือกมานั้นปลอดภัยและมีประสิทธิภาพวัคซีนช่วยป้องกันการเสียชีวิตและลดความรุนแรงของโรคได้มาากกว่ ผู้ที่ไม่ฉีดอย่างแน่นอนจบการเสนอข่าว11นาิกา4นาทีค่ะ